Thank mm -hmm. you. ถี่ชีวิตและกิจวัตรนะของที่นี่มันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมานานแล้วนะก็จะเป็นอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็คือตื่นตีสตีสครึ่งตี่ทำวัดฟังธรรมเสร็จแล้วนะถ้าเป็นพระก็เตรียมบิณฑบาตถ้าเป็นญาติโยมแม่ชีก็ทําความสะอาดเสนาสะนะทาอาหาร จากนั้นก็อยกยะกับไปปฏิบัติแล้วก็ถึงเวลาอาหารเย็นอาหารเพลงเสร็จแล้วก็ปฏิบัติจนถึงเย็นก็ทําวัดสวดมนต์ฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติจนเข้านอนแล้วกลับมาเริ่มต้นกันใหม่เหนะมือนเดิมนะเป็นเช่นนี้นะวันแล้ววันเล่าไม่ว่าวันจันทร์หรือวันเสาร์อาทิตย์ก็ ไม่ได้แตกต่างกันนะไม่เหมือนกับชีวิตของพวกเรานะที่บ้านนะอย่างในน้อยเสาร์อาทิตย์ก็ไม่เหมือนกับวันจันทร์ถึงศุกร์ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นวันปีใหม่วันสงกรานต์วันตรุษจีนวันคริสต์มาสนะวันสิ้นปีก็กิจวัตรก็ไม่ได้แตกต่างไปจากที่พูดมาเป็นเช่นนี้ซ้ําแล้วซ้าเล่าหลายคนนะ ตอนที่มาใหม่ๆเนี่ยก็รู้สึกว่าวันแต่ละวันมันผ่านไปอย่างเชื่องช้าจากเช้ากว่าจะถึงบ่ายก็นานจากบ่ายกว่าจะถึงเย็นก็นานแล้วก็รอคอแบบเมื่อไหร่จะเข้านอนแต่เมื่อเข้านอนเสร็จก็ต้องตื่นมาพบความจริงว่าถึงเวลาตี3ก็ต้องมาทำกิจวัตรเหมือนเดิม ือที่จะอยู่ให้ถึงค่ำเข้านอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบนี้หลายคนก็จโจทโซมันน่าเบื่อยิ่งการปฏิบัติเนี่ยนะก็มันก็ไม่ได้มีอะไรนอกจากยกมือเป็นจังหวะไปมานะ14 1สหรือ15จังหวะซ้ำแล้วซ้ำเล่าเดินจ ง, งกลมกลัาไปกลับไปกลับ สิ่งที่เห็นก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเชา้ากลางวันเย็นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมตลอดทั้งวันเมืเม่อมากระชวยของเรานะในเมืองแต่ละชั่วโมงมันมีอะไรใหม่ๆเข้ามาอยู่เสมอมีการเคลื่อนไหวมีความเปลี่ยนแปลงมีข้อมูลข่าวสารนะเข้ามาอย่างน้อยทุกต้นชั่วโมงหรือนี้ก็มากันเรียกว่าทั้งวัน ถ้าใครมีไลน์ก็จะเดินเสียงปิงปิงปิงเนี่ยมันดังทั้งวันแต่ที่นี่นะก็ไม่มีอะไรนอกจากการปฏิบัติยกมือไปมาซ้ำแล้วซ้าเล่าเดินจงกรมกลับไปกลับมาซ้ำแล้วซ้าเล่าหลายคนก็จะรู้สึกเบื่อนะมาแค่สองสาวันแล้วก็เบื่อแล้วโดวยพราะสมัยนี้นะเราชอบอะไรที่ใหม่ๆอะไรที่ซ้ำเดิมนะเราจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ เสื้อผ้าก็ต้องเปลี่ยนอยู่เรื่อยเคสใส่โทรศัพท์มือถือก็ต้องเปลี่ยนบ่อยๆแม้แต่หน้าโปรโฟไฟล์ในเฟ e บุ๊ k ก็เปลี่ยนกันบางคนเปลี่ยนกันแทบทุกอาทิตย์สมัยนี้เรานิยมนะสิ่งใหม่ๆอะไรที่มันเหมือนเดิมเรารู้สึกว่ามันซ้ำซากจำเจเราไม่ค่อยให้ความรู้สึกที่ดีกับสิ่งที่ทำอะไรซ้ำๆเท่าไหร่แต่ที่จริง ชีวิตคนเรามันอยู่ได้เพราะความซ้ำไปซ้ำมานี่แหละเราอยู่ได้เพราะลมหายใจ ล, ลมหายใจแล้วก็มีแค่เข้ากับออกเท่านั้นแหละหัวใจของเราก็เหมือนกันนะมันก็เต้นเข้าเต้นออกนะเข้าออกเข้าออกนั่นแหละถ้าหาว่าลมหายใจเรามันเกิดแปลเปลี่ยนไปอันนี้แหละเป็นปัญหาหรือการหัวใจของเราเกิดเต้นผิดปกติไม่เหมือนเดิมอันนี้ปัญหาละ เราต้องขอบคุณนะไอ้ความความซ้ำซ้ําเดิมเนี่ยเพราะมันทําให้เราอยู่ได้มันทําให้เรามีชีวิตได้ต่อไปกินข้าวเราก็กินนะทุกวันแล้วก็ไม่กินก็ไม่ได้เรากินข้าวมาตั้งแต่เล็กแล้วก็ต้องกินข้าวต่อไปนะจนแก่ตายถึงแม้บางครั้งอาจจะอ เลียงไปกินขนมปังไปกินก๋วยเตี๋ยวนะแต่หากว่าจะต้องกินข้าวเราก็กินได้นะถ้าว่าชี่เราต้องเปลี่ยนไปกินโน่นกินนี่ให้มันไม่ซ้าวันก็คงจะยุ่งยากนะาเราเป็นที่บุญคุณนะไอ้ความซ้ำซ้าเดิมนี่แหละ้ากม่มีความผิดแปลกไปจากเดิมเมื่อไหร่นั่นแหละคือปัญหา ในการเรียนรู้งคนเราก็ต้องอาศัยความการทำะไรซ้ำๆสมัยที่เราเรียนกอไก่ขอไข่กว่าจะเขียนกอไข่ขอไข่ได้เนี่ยเราเขียนซ้ำแล้วซ้าอีกไม่รู้กี่10หรือกี่ร้อยครั้งนะเรานึกภาพตอนเราเป็นเด็กเริ่มเขียนกอไก่กว่าจะเขียนเป็นตัวแล้วก็ตรงเนี่ยนะต้องเขียนแล้วเขียนอีกนะเป็นร้อยครั้ง เราก็ต้องเขียนให้มากกว่านั้นเพื่อจะคัดเพื่อจะเขียนให้ได้สวยตอนเด็กๆ เ, เนี่ยนะเรียนอุบาลเนี่ยแยกไม่ออกระหว่างวอลแวนกับออ อ, อ่างไอ้วอลแวนกับออ่างมันเหมือนกันเลยแต่พอเราลงมือเขียนก็รู้ว่าวอลแวนกับออ่างมันต่างกันมากทีเดียวการเลืยอนร่วงคนเรานะความร่วงคนเราเกิดจากการที่ทําอะไรซ้ําๆสูตรคูนี่กว่าจะจํา ใส่จำขึ้นใจได้ก็ต้องท่องแล้วท่องอีกภาษาต่างประเทศใช้ภาษาอังกฤษนะภาษาฝรั่งเศสเยอรมันศัพท์แต่ละตัวนี่จะจําได้เนี่ยก็ต้องเปิดพจนานุกรมซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกไม่รู้กี่สิครั้งนะไม่ต้องพูดถึงการเขียนให้เป็นตัว เ, เราเป็นนี่บุญคุณนะการทําอะไรซ้ําๆเนี่ย เ, เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเมื่อเรามาที่นี่เนี่ย ก็ให้เรานะมองนะกิจวัตรวิถีชีวิตและการทำลารซ้ำๆเนี่ยว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นนะสำหรับการทำให้ชีวิตจิตจังเราเะเลยงอกงามและยิ่งการปฏิบัติทางจิต ด, ด้วยแล้วเนี่ยนะมันจำเป็นมากเลยที่ต้องทำซ้ำๆไอ้การยกมือหรือการเดินเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่อุบายเป็นตัวช่วย เพื่อทำให้ใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวและทำให้ใจเราเนี่ยนะมีแบบฝึกหัดในการที่จะรู้ทันความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจอย่างที่ได้บอกไว้วันแรกๆว่านิสัยเดิมของใจเราเนี่ยมันเป็นนิสัยที่พาไปสู่ความหลง นะถ้าเปรียบเหมือนกับกระแสน้ำก็เป็นกระแสที่นาไปสู่ความทุกข์และเราทำอย่างนั้นเนี่ยสะสมนิสั ย, ยงั้นจนกระทั่งมันเหมือนกับร่องน้ำใหญ่มันกลายเป็นแม่น้ำไปแล้วถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนทิศทางของกระแสจิตนะจากที่ไหลไปสู่ความหลงให้มันไหลไปสู่ความรู้ตัวจากที่ไหลไปสู่ความทุกข์ให้มันไหลไปสู่ความสุข แล้วร่องน้ำนี่เราต้องทำเองนะร่องน้าใหม่เราจ้างใครมาทำไม่ได้ก็ต้องทำต้องขุดแล้วขุดอีกมันก็ต้องทำซ้ำไปซ้ำมานี่แหละนะการขุดร่องน้ำสายใหม่ไม่มีเครื่องทุนแรงได้ขุดไปทีเราจบทีเราจบทีเราจบนะวันนึ้งก็อาจจะได้สัก 2-300 จอบอะวันวันหน้าก็ทำใหม่ จกนกระทั่งร่องน้ําใหม่มันค่อยๆใหญ่ค่อยลึกขึ้นแล้วก็จะชักนําให้กระแสจิตเนี่ยซึ่งเปลี่ยนกระแสน้ำเนี่ยมันไหลไปนะไปสู่ร่องใหม่ร่องแห่งความรู้ตัวร่องแห่งความสุขน ะ, ะร่องมันก็ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจกนกระทั่งเป็นทางเดินของจิตเกิดเป็นนิสัยใหม่ขึ้นมาขอแบบนี้ต้องทําเองทั้งนั้นนะต้องทําเอง แต่ค่อยเราทํำด้วยความใส่ใจย่จะไปนึกเบื่อมันง่ายๆเอาใจใส่ลงไปนะในขณะที่เรายกมือแต่ละจังหวะเอาใจใส่ลงไปในขณะที่เราเดินแต่ละก้าวจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละแต่ละขณะที่เรายกมือแต่ละก้าวที่เราเดินเนี่ยมันไม่เคยซ้ําเดิมเลยนะ <c oughs> มันไม่เคยซ้ําเดิมเลย ถ้าเราไม่สักแต่ว่าทำนะเราใจใส่ลงไปด้วยมันจะเป็นแต่ละขณะที่ใหม่เสมอเมื่อชา้าได้อ่านเรื่องราวของชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งซึ่งเขาถือว่าเป็นเป็นเซียนนะหรือเป็นเทพด้านเทมปุระแกทำ ม, มาปรุงเทมปุระมาตั้งแต่อายุสิบห้าได้มั้งจนกระทั่งปัจจุบันก็60กว่าแล้วใช้เวลา50ปี แล้วก็แกทําได้เยี่ยมยอดมากนะคนก็ชมเสิร์ฟแต่ละคราวนี้ก็3ามสีพันบาทแกบอกว่าแกทำเนี่ยทำปูระมาเนี่ยประมาณ20ล้านครั้งแล้วคำนวณหูก็อาจจะเวอร์ออไปสักหน่อยนะยีล้านครั้งเนี่ยสำหรับเวลา50ปิปีเอาว่าแค่สองล้านครั้งหรือว่า1ล้านครั้งก็พอแล้วแต่แม่ก็นกักยังถือว่าเยอะนะคนคนนึ่งทำเทมปุระมาเนี่ยนะหล้านครั้งเนี่ย ก็ทำได้ยังไงนะไอเรายกมือเนี่ยสร้างจังหวะผ่านไปสองสามันมันยังได้แค่นะไม่รู้จะถึงหมื่นครั้งหรือเปล่านี่ก็ทำไปแล้วเนสองล้านครั้งในเวลา4 0 50้าปีก็ทำยังมีความสุขทุกช้าก็ทำเหมือนเดิมนั่นแหละนะชาวจดเย็นชาวจดเย็นทำตัมปูระอย่างเดียวเลยไม่ได้ย้ายไปทำซูชิไม่ได้ไปทำก๋วยเตี๋ยวอุด้งอะไรเลย แต่เขาก็มีความสุขและทาได้ดีด้วยเพราะแต่ละแต่ละแต่ละจานที่เขาเสิร์ฟนี่คนก็ชมพอเขาใส่ใจในรายละเอียดตั้งแต่วัสดุอุปกรณ์วิธีการแรกวิธีการชุบแป้งนะก็ทำได้อย่างไรนะในเมื่อทำซ้าแล้วซ้ำแล้าซ้ำแล้วซ้ำแล้าเพราะเขามีฉันทะ<ๆ>เขาใส่ใจลงไป เอาใจใส่ลงไปมันก็เกิดความสงบเกิดความเพลินแล้วก็คอยดูแลคอยสอน ส, สองว่าจะทํำยังไงให้มันดีขึ้นกับเดิมเรียกว่ามีวิมังสาแต่ที่จริงการจนลนสติของเรามันทําได้ง่ายกว่านั้นนะเพราะเราไม่ได้มีเดิมพันนัยเท่าไหร่เราจะทําดีทําไม่ดีก็ไ ม, กไม่ก็ไม่ต้องห่วงว่ า, าจะมีคนต่อว่าหรือเปล่านะไม่เหมือนทําอาหารทําไม่ดีก็มีคนต่อว่าแล้วก็ต้องคิดถึงเรื่องกําไรขาดทุนนะแต่นี้เราทําแบบ สบายๆพยายามเติมชั้นท่าลงไปนะในในในการปฏิบัติของเรานะแต่ละขณะแต่ละขณะเติมใจใส่ลงไปนะในแต่ละขณะมันจะไม่ใช่กลายเป็นสิ่งที่น่าเบื่อแต่หม่ๆ ก, ก็ธรรมดานะที่เร า, า จ, จะเบื่อเพราะว่าจิต ข, ของเราเนี่ยนะเรียกว่าถูกถูกกระตุ้นเรา มาจงกระทั่งมันติดแล้วมันติดสิ่งกระตุ้นเราเราเสพติดสิ่งกระตุ้นเราโดยเราไม่รู้ตัวนะสิ่งกระตุ้นเรานี่ก็หมายถึงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสใหม่ๆที่มันระดมใส่เข้ามาสู่การรู้ของเราตลอด18ชั่วโมงที่ตื่นก็ว่าได้โดยเฉพาะชีวงคนในเมืองเนี่ยมันจะมีสิ่งใหม่ๆมากระตุ้นเราแในบางอย่างเราจะไม่ชอบเช่นเสียงดัง หลายคนเนี่ยนะสึดลำคาญมากเลยนะอยู่ในกรุงเทพในเสียงมันดังแต่พอมาอยู่ที่นี่เนี่ยใจมันจะโหยหาเสียงเสียงดังเนี่ยไม่มีเสียงดงแต่เรานอนไม่หลับนะจึงรู้ว่าคนเราก็ติดเสียงดังนะหลายคนสื้อข้อมูลข่าวสารมันเยอะท่วมท้นไปหมดนะไม่เอาละมาอยู่วัดดีกว่ามาปลีกตัวมาอยู่ป่าดีกว่าแต่พอไม่มีข้อมูลข่าวสารเข้ามาสู่การรับรู้เลยมันหงอยเลยนะเราเสพติดเนี่ย รูปรถกินเสียงหรือว่าแสงสีเสียงเนี่ยโดยที่ไม่รู้ตัวมันเร้ามันกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาทั้งวันเราบอกมันวุ่นวายนะแต่พอเรามาที่นี่เนี่ยพอไม่มีสิ่งกระตุ้นเราเป็นยังไงเราก็จะหง่อยแล้วก็จะง่วงเราก็จะเริ่มเบื่ออันนี้แต่มาเรียกว่าเป็นอาการลงแดงนะเป็นอาการลงแดงทางภาษะคนที่ติดบุหรี่เนี่ยพอไม่ได้เสพ บ, บุหรี่ ไม่ได้สูบบุหรี่คนที่ติดกาแฟพอไม่ได้กินกาแฟคนที่ติดเหล้าพอไม่ได้กินเหล้าเนี่ยมันจะมีอาการบางอย่างนะงอยเงาหรือว่ากระสับกระส่ายทุรนทุรายคนที่ติดในผัสสะสิ่งเร้าทางตาหัวจมูกริ้งกายเนี่ยพอมาอยู่ในที่แบบนี้เนี่ยมันก็จะมีอาการคล้ายๆคนที่ลงแดงพอไม่ได้เสพแล้วเนี่ยมันก็จะงอยมันก็จะเงามันจะมีอาการว้าวุ่นนะกระสับกระส่ายให้รู้ว่มันธรรมดา อาการลงแดงนี่ไม่นากก็จะหายไปแล้วเราก็จะเริ่มคุ้นนะกับกับสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีสิ่งเราแต่ว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันมันจะไม่ง่ายเสมอนะการเปลี่ยนผ่านทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องยากคนที่นอนตื่นสายกว่าจะนอนตื่นเช้าได้เนี่ยไอ้ช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันยากมันต้องต่อสู้กับนิสัยความเคยชินเดิม แต่ว่าในที่สุดพอผ่านมาได้เนี่ยจะรู้สึกสบายการตื่นเช้าก็เป็นเรื่องง่ายใจเราเนี่ย ม, มันติดอารมณ์หมายถึงว่าติดภาษาที่มากระตุ้นเราพอไม่มีภาษาใหม่ๆไม่มีสิ่งเร้าใหม่ๆนะเสียงสีข้อมูลข่าวสารจิตมันก็จะเริ่มนะในแง่หนึ่งก็ง่วงนะแต่ว่ามันก็จะหาทางกระตุ้นเราตัวมันเองโดยการนึกโนนนึกนี่นะ ถ้าไม่มีของใหม่เข้ามานะมันก็จะเอาของเก่านี่แหละมากระตุ้นเราจิตเพราะฉะนั้นหลายคนจะพบว่าเนี่ยพอมาพอมาปฏิบัติที่เนี่ยมันคิดเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้มันเป็นเป็นอาการคล้ายๆกับจิตมันเบื่อนะแล้วมันก็พยายามแก้ความเบือ่อพยายามที่จะสร้างความพยายามสร้างความแปลกใหม่กระตุ้นให้คลายความเบื่อด้วยการหาเรื่องคิดเอาเรื่องเก่ามาคิดบ้างเอาเรื่องใหม่มาคิดบ้างหรือแม้ก็ปรุงแต่งขึ้นมา แล้วก็มักจะเป็นเรื่องเก่าก็ไม่น้อยนะหลายคนเนี่ยจะคิดย้อนไปถึงสมัยเป็นเด็กเลยก็มีบางอย่างที่เราคิดว่าเราลืมไปแล้วโอ้มันคิดมันคิดใหม่เอามันกลับมาคิดได้คงคล้ายกับวัวนะวัวควายเนี่ยพอไม่มีหญ้าอ่อนมากินนะมันธรรมดามันก็ชอบกินหญ้าอ่อนหญ้าใหม่พอไม่มีของใหม่กินนะมันก็จะเอาของเก่าเนี่ยที่เก็บสะสมไว้ออกมากินเรียกเคี้ยวเอื้องสํารอกออกมา สำลอกจากกระเพาะมาเคี้ยวใหมนะ่ในเวลาที่ไม่มีอะไรใหม่ๆมากินนะจิตเราก็เหมือนกันนะพอไม่มีภาษาใหม่ๆมามาให้เสพนะไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือทางใจมันก็จะเอาของเก่านี่คายออกมาก็คือความทรงจาในอดีตเพื่อมาทำให้มันตื่นตัวขึ้นมาเพราะว่ามันเสพติดเมันเสพติด มันก็ต้องหาของมาเสพมามาสนองเพื่อคลายความอยากรวมทั้งคิดปรุงแต่งสารพัดเพราะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะทำไมหลายคนเนี่ยเวลามาปฏิบัติแล้วมันฟุ้งซ่านยิ่งกว่าตอนที่ไม่ได้มาปฏิบัติซะอีกนะมันเป็นอาการของใจนะเป็นธรรมชาติของใจซึ่งมันจะเป็นอย่างนั้นไม่นานสุดท้ายมันก็จะค่อยเริ่มปรับตัวได้นะเริ่มคุ้นเริ่มชินกับ สิ่งแวดล้อมที่ไม่ไม่ค่อยมีสิ่งเร่าเท่าไหร่แล้วเราก็จะเริ่มตื่นแล้วทีนี้นะไอ้ที่เคยง่วงในบรรยากาศที่มันไม่มีอะไรมาเร้าเลยเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยพอผ่านไปสักามสี่วันสี่ห้าวันก็จะเริ่มตื่นแล้วนะอันนี้ก็จะช่วยทำให้การปฏิบัติของเราราบรื่นขึ้นนะเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลนะอย่าไปวิตกทำไมมันมันฟุ้งซ่านเหลือเกินบางทีเปลี่ยได้เหมือนกับ บ้านหรือว่าศาลาที่ปล่อยให้ฝุ่นมาเกาะเต็มหนาเป็นเซนเลยถึงเวลาที่เราจะกวาดเนี่ยนะก็ต้องยอมนะยอมให้ฝุ่นมันฟุง้งอยากให้ศาลาสะอาดอยากให้บ้านสะอาดเนี่ยก็ต้องยอมเจอกับความฟุง้งเพราะฝุ่นเนี่ยมันเกาะไว้นานบางคนกลัวฟุ้งนะก็เลยปล่อยให้มันให้ฝุ่นมันเกาะอย่างนั้นนะ แล้วถ้ามันเกาะนานเนี่ยมันก็มีปัญหาส่งผลเสียต่อดใจของเราต้องยอมนะต้องยอมที่จะทนกับต้องยอมที่จะเจอกับความฟุ้งของใจถ้าเราต้องการให้ใจสะอาดนะเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อทำให้จิตสะอาดผ่องแผ้วแต่ในเมื่อมันมีฝุ่นฟุ้งที่เกาะในเมื่อมันมีฝุ่นที่เกาะมานานนะก็ต้องยอมที่จะให้มันฟุ้งแล้วมันฟุ้งไปสักพัก สุดท้ายก็จะได้บ้านที่สะอาดนะพื้นที่เป็นมันวาวนะพอเรากวาดเราถูนะให้การเจริญสติภาวนาก็ทางั้นแหละแต่สิ่งที่เราเน้นก็คือการทําความสึกตัวให้มีสติรู้ทันนะนาทีของสติคือความระลึกได้นะเมื่อวานก็นี่ก็พูดค้างไปหน่อยนะว่าสติเนี่ยคือความระลึกได้เนี่ยมันมีอยู่สองอย่างนะระลึกได้เกี่ยวกับสิ่งนอกตัว เช่นจำได้ว่ารถของเรากอทอะไรสียอะไ ร, ะไรยี่ห้ออะไรบ้านเราสร้างเมื่อไรนะบ้านเรามีกี่ชั้นหรือว่าเรามีลูกกี่คนลูกเราตอนนี้อยู่ไหนอันนี้มันเป็นเรื่องความระลึกได้นะซึ่งเราใช้กับการดําเนินชีวิตประจําวันสติอย่างหนึง่งคือความระลึกอีกอย่างหนึ่งเป็นระลึกได้เกี่ยวกับเรื่องตัวเอง ไม่ใช่รู้ไม่ใช่จําได้ว่าเราชื่ออะไรเกิดพอศออะไรนะแต่หมายถึงการระลึกได้เรื่องกายเรื่องใจระลึกได้ว่ากําลังทําอะไรอยู่ในปัจจุบันนะเน้ น, เ น, นเน้นที่ตัวปัจจุบันนะเช่นรู้ว่าตอนนี้กาําลังนั่งอยู่นะหรือว่าถ้าใจลอยเผลอไปก็รู้ทันนะรู้ว่าตอนนี้กําลังเครียด ร, รู้ว่าตอนนี้กําลังเอ่อกำลังวิตกนะมีคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยที่ไม่รู้อารมณ์ของตัวนะ ว่าตอนนี้กาลังรู้สึกอย่างไรเานนี้เป็นมากขึ้นนะถามว่ารู้สึกอย่างไรตอนนี้ตอบไม่ได้ไปตอบเอาความคิดมาตอบนะเอาความคิดมาตอบว่ารู้สึกว่าตอนนี้อากาศมันมันอ้าวไปหน่อยนะเนะี่ยอันนั้นไม่ใช่ความรู้สึกนะมันเรียกว่าตอนนี้เรา้สืงง่องเครียดเบาสบายง่วงนะหงุดหงิดหรือว่า หนาวเย็นก็ว่าไปคนอีนี้ตอบความรู้สึกหรืออารมณ์ไม่ได้ว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกหรือมีอารมณ์อย่างไรเพราะว่าเหินห่างแปลกแยกกับตัวเองมากไปสนใจเรื่องนอกตัวซีเยอะความระลึกได้เรื่องเรื่องกายเรื่องใจนะระลึกว่ากาลังทำอะไรอยู่ระลึกว่าตอนนี้กำลังรู้สึกอย่างไรเนี่ยนะนี่เป็นนี่ต้องอาศัยความระลึกได้ที่เรียกว่าสตินะ ะส่วนใหญ่เนี่ยจะระลึกได้ช้าหลายคนเนี่ยมีความจำแม่นนะในเรื่องวิชาการวิชาความรู้นะจำได้แม่นว่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์บ้านเมืองจำเบอร์โทรศัพท์เพื่อนได้จำวันเกิดของเพื่อนได้ทุกคนเลยนะแต่ว่าพอให้มาเจริญสตินะจะเผลอบ่อยมากนะจะลืมตัวอยู่บ่อย เดินจงกรมทีแรกก็รู้ตัวดีนะแต่เดี๋ยวลืมไปละลืมว่ากําลังเดินจงกรมใจลอยลืมว่ากําลังสร้างจังหวะรู้ตัวว่าสร้างจังหวะได้แค่ไม่ถึง10วินาทีไปซะละนะอันนี้เกิดขึ้นมากทั้งคนที่มีความจําแม่นนะบางคนเนี่ยเห็นหน้าเห็นหน้าใครบางคนเนี่ยแค่ครั้งเดียวสนทนากันไม่ถึงสองนาทีเจอกันอีกครั้ง5ปีผ่านไปจําได้ว่าเคยเจอกันที่นั่น ที่นี่อันนี้เรียกว่าสติดีความจําแม่นนะแต่พอเป็นเรื่องสติที่เกี่ยวกับความระลึกได้นะในเรื่องกายเรื่องใจก็มักจะลืมง่ายลืมตัวได้ง่ายซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะมันมันเป็นสติคนละประเภทนะสติประเภทแรกเป็นสติที่เป็นสติธรรมดาสามัญ น, นะแต่สติประเภทที่สองเรียกว่าสัมมาสติหรือสติปัฐานนะซึ่ง ประกอบไปด้วยความรู้สึกตัวนะในสัมมาสติหรือใส่ประธานท่างจะบอกว่าเนี่ยท่านจะมีคําว่าอาตาปีส ป, ปะชาโนสติมาก็แปลว่าสติที่ประกอบด้วยความรู้สึกตัวและความเพียรถ้ามีสติเช่นนี้แล้วมันจะมีความเพียรด้วยมีความรู้สึกตัวด้วยมันจะไม่หลงง่ายอันนี้เราใปัสติประธานเนี่ยสัมมาสติไม่ใช่สติธรรมดาคนนี้รักษ า, าวความระลึกได้เนี่ยมันยังมีอยู่2ประเภทอีกเหมือนกันนะ การลึกได้บางอย่างเนี่ยเราต้องตั้งใจนึกเราต้องตั้งใจนึกถึงจะนึกได้ เ, เช่นถามเราพวกเราว่าเนี่ยเมือ่อเช้านี้เรากินอะไรหรือเมื่อวานนี้เนี่ยอาตมาพูดเรื่องอะไรเนี่ยต้องตั้งใจนึกนะถึงจะระลึกได้นะอย่าว่าแต่เมื่อเช้าเลยนะเมื่อกลางวันเรากินอะไรเนี่ยก็ต้องตั้งใจนะตั้งใจนึกถึงจะระลึกได้นะ แต่ความระลึกได้อีกอย่างนึงนะมันเกิดขึ้นเองมันเกิดขึ้นเองเช่นเมื่อวานนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นกำลังอ่านหนังสือเพลินเพก็นึกขึ้นมาได้ว่าเรานัดเพื่อนเอาไว้นะว่าจะโทรไปหาเพื่อนสี่โมงเย็นนี่ห้าโมงเย็นแล้วโอ้หรือนึกขึ้นมาได้ว่าเราตั้งน้ําเอาไว้ตั้งเป็นชั่วโมงแล้วลืมนะตั้งน้ําร้อนเอาไว้มันนึกขึ้นมาได้เองไม่มีใครบอกมันนึกขึ้นมาได้เอง นะหรือว่ากำลังทำงานอยู่กำลังเล่นเฟซอยู่นึกขึ้นมาได้ว่ายังไม่ได้ล็อกประตูบ้านนะมันนึกขึ้นมาได้เองนะอันนี้คือความร ล, ลึกได้ซึ่งซึ่งเราต้องการฝึกนะให้เกิดกับเราในการปฏิบัติเนี่ยนะถ้าเราตั้งใจจะนึกนะจะไปจ้องไปเพ่งนี่นะอันนั้นไม่ใช่ล่ะ เราจะฝึกเพื่อให้มันเราลึกขึ้นมาได้เองให้มันเราลึกขึ้นมาได้เองเราลึกว่าอะไรเราลึกว่าเรากำลังทําอะไรอยู่ขณะที่ใจลอยคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเจดแปเรื่องแล้วจู่ๆมันนึกขึ้นมาได้เองว่าโอนี่เรากําลังฟังคาบรรยายอยู่นี่เรากําลังสร้างจังหวะอยู่หรือว่านี่เรากำลังกินข้าวอยู่การระลึกแบได้แบบนี้นะมัน ถามว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะตอเไม่ง่ายมันเกิดขึ้นเองไอ้คำว่าเกิดขึ้นเองก็แปลว่าเราไปบังคับบัญชามันไม่ได้จะใช้ความตั้งใจก็ไม่ได้นะไม่เหมือนกับตั้งใจนึกว่าเมื่อช้ากินอะไรเนี่ยอันนี้ตั้งใจนึกก็นึกออกหรือเห็นคําเห็นคําศัพท์เนี่ยคุ้นๆนะนึกสักหน่อยเนี่ยอ น, นึกได้แล้วคานี้แปลว่าอะไรอันนี้ตั้งใจนึกนะแต่ว่าการระลึกได้เนี่ยแบบมันขุดขึ้นมาเองเนี่ยอันนี้เราตั้งใจยังไงก็ไม่ได้ แต่ว่าเราทําให้มันเกิดขึ้นได้ไวด้วยการปฏิบัติด้วยการเจริญสติซ้ําๆนะการเจริญสตินี่เราไม่เน้นเราไม่ได้วัดความก้าวหน้าว่าใจสงบมากหรือน้อยบางคนไปเข้าใจาเออถ้าใจไม่คิดอะไรเลยแสดงว่าก้าวหน้านะแต่การเจริญสติแบบหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านเน้นว่ารู้ทันได้ไวหรือเปล่าคิดฟุ้งไปสิครั้งแต่รู้ทันได้ไวทุกครั้งเนี่ยถือว่าก้าวหน้านะถือว่า าการปฏิบัติเนี่ยมีความก้าวหน้าแต่ถ้าเกิดว่าปฏิบัติไปเนี่ยสิบนาทีนี้ไม่คิดเลยหรือคิดแค่สองอย่างคิดแค่สองเรื่องทั้งสิบนาทีคิดแค่สองเรื่องแต่ว่าทั้งสองเรื่องนั้นเนี่ยไม่รู้ทันเลยแล้วกลายเป็นสองเรื่องที่ยาวซะด้วยนะอันนี้ไม่ได้เก้าไม่ได้แปลว่าก้าวหน้านะหรือแม้แต่สงบแ เ, เราไม่รู้ตั ว, วสงบเนี่ยก็ไม่ถือว่าว่าดีเท่าไหร่ สงบแต่ไม่รู้ว่าสงบนี่ไม่ไม่ดีนะโกรธหงุดหงิดแต่รู้ทันรู้ว่าโกรธรู้ว่าหงุดหงิดอันนี้กลับดีอะไรเกิดขึ้นกับใจเนี่ยไม่ว่าบวกหรือลบกุศลเลอกุศลถ้ารู้ทันรู้ไวอันนี้ถือว่าดีนั่นอย่าไปอย่าไปโมโหตัวเองหงุดหงิดตัวเองทํามันคิดมากเหลือเกินอันนั้นไม่สําคัญสำคัญจริงๆว่าคิดแล้วรู้ทันได้ไหวไหม แล้วคำว่าไวนี่นะมันถามว่าทํายังไงให้ไวก็ตอบยากเพราะว่ามันเกิดขึ้นเองแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นเองในความหมายที่ว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยนะมันมีเห็นมีปัจจัยคือจากการที่เราซ้อมบ่อยๆ <c oughs> มันคล้ายๆกับเวลาเราท่องศับเนี่ยเราท่องบ่อยๆท่องบ่อยๆเนี่ยหรือท่องอักขยามบ่อยๆทอ่ อ, ทองสูวขึ้นบ่อยๆเนี่ยพอเห็นปุ๊บเรานึกได้เลยนะมันเกิดจากการทําซ้ําๆนะเราท่องศับบ่อยๆเนี่ยทีแรกก็นึกออกแต่ละก็ต้องใจนึกนะ แต่พอเราท่องจนทั้งมันจำใส่ใจนะพอเห็นปุ๊บมันนึกออกเลยอาคยานสูตรคูณก็เหมือนกันนะแต่ก่อนนี้ก็ต้องท่องนะท่องเหมือนกับเด็กๆนะ28 6 8 6แ8ดแนะแต่พอเราพอเราจำจนจนคล่องเนี่ยพอไปซื้อของเนี่ยนะของราคาเก้าบาทสองชิ้นเท่าไหร่เนี่ยมันออกมาเองเลย18อันนี้คล้ายๆกันนะคือมัน มันมันมันระลึกรู้ได้ไวนะเพราะอาศัยการฝึกและการฝึกนี่ต้องทำแบบสบายๆนะจะไปทำด้วยความอยากนะหลวงพ่อเทียนท่านบอกว่าทำเล่นๆ น, นะแต่ทำจริงๆทำเล่นๆคือว่าทำโดยไม่หวังผลหรือว่าไม่คาดหวังมันจะฟุ้งก็ไม่เป็นไรฟุ้งไปก็เอาใหม่ทำใหม่ เหมือนกับเวลาเราเล่นเราเล่นกีฬาเนี่ยเล่นแพ้ก็ไม่เป็นไรนะเล่นแพ้ก็ไม่เป็นไรก็ทําใหม่ก็เล่นใหม่ใจมันจะเผอใจลอยเป็นยังไงไม่เป็นไรเริ่มใหม่ทุกอย่างเริ่มใหม่หมดช่างมันไม่เป็นไรนะอันนี้ก็เหมือนกันนะเป็นคาถาที่ควรเอามาใช้บอ่อยๆช่างมันไม่เป็นไรอย่าไปโกรธตัวเองอย่าไปงุนงงตัวเองทําไปเรื่อยๆแล้วอย่าทําด้วยความอยากก็ทําทด้วยความอยากจิตมันจะมันจะคอยจ้อง จะคอยบังคับจะคอยเพ่งอยากอะไรอยากให้สงบอยากสงบต้องพยายามบังคับจิตไม่ให้คิดพยายามไปจ้องไปเพ่งนะเพื่อว่าจิตมันจะได้ไม่ไปฟุง้งนซะ่านเหมือนกับไปมัดจิตอนเอาไว้เหมือนกับไปล่ามไปล่ามหมาน้อยเอาไว้ไม่ให้ออกนอกบ้านทำไปนานๆก็จะเครียดนะปะนัญหาคนนักปฏิบัติคือว่าจริงจังมากไปต้อนงะนะทำเล่นๆนะ มันจะฟุ้งบ้างก็ไม่เป็นไรมันจะหลงบ้างไม่เป็นไรแต่คอยทำทำตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเลยอันนี้เราทําจริงๆนะทำเล่นๆแต่ทำจริงๆหรือว่าถ้าพูดแบบภาษาอังกฤคือว่าทําเต็มที่แต่ไม่ซีเรียสทําเต็มที่แต่ไม่ซีเรียสทําเต็มที่เนี่ยไม่ใช่ทําเอาใจใส่อยู่กับปัจจุบันนะไม่ใช่แค่นั่งเดี๋ยวแต่ว่าทํามันทั้งวันเลยนะให้ทําเต็มที่นะทำทั้งวันเลย แต่ไม่ซีเรียสนะก็คือว่าได้ก็ได้ได้ก็ดีไม่ได้ไม่เป็นไรทําไปเรื่อยๆประกอบเหตุให้ดีผลมันย่อมทนออกมันผลมันย่อมทนไม่ได้ต้องออกมาเองเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจผลให้ประกอบเหตุดีกว่าที่เราเครียดในการทาก็เพราะเราไปสนใจผลเราไปสนใจสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นใจเราไม่ได้อยู่กับอนาคตแล้วให้ใจเราอยู่กับปัจจุบันนะปลูกชันทะ ใส่ชันท่าลงไปในการยกมือสร้างจังหวะปลูกชันท่าใส่ชันท่ลงไปในการปฏิบัติเติมใจใส่ลงไปในทุกการกระทําไม่ว่าสร้างจังหวะเดินจงกรมอาบน้ําล้างหน้าถูฟันกวาดพื้นเก็บที่นอนแม้ว่าจะเป็นงานเล็กงานน้อยก็อย่าไปดูถูกดูแคลนเอาใจใส่ลงไปในทุกอย่างอะไรก็ตามถ้าเราเอาใจใส่ลงไปแล้วเนี่ยมันกลายเป็นการปฏิบัติธรรมขึ้นมาทันที ไม่ว่าจะเป็นการเก็บที่นอนไม่ว่าจะเป็นการกวาดพื้นถูศาลาหรือถูฟันเนี่ยการปฏิบัติธรรมาไม่ต้องทำที่นี่หรือที่วัดไม่ว่าทำอะไรเอาใจใส่ลงไปเอาฉันท่าใส่ลงไปเติมลงไปมันกลายเป็นการปฏิบัติธรรมทันทีอาคำเดียวเพืเ่อทนี้นะครับพระ